นกน้อมต่อพระราชไตรต่อไปความเคารพมายั ง, งพระกรมจันยุกิรมทั้งเพื่อนสาคธรรมิกทุกทกรูเจันเรนพรจันเรนในตาง ม, มยังคุนแม่เจีบาโอวาสิกานาเวรรมทุกท่นานชาเนรชาวัน จ, นจนันทที่ที่พกกันยายน พุกราช2556ตรงกับเกน12ค่าเดือน10ก็เหลืออีกประมาณ1เดือนใต่ามาสุดท้ายในช่วงเทศกาลเขาวันษาประจำปีเรามาร่วมกันศึกษาธรรมะการศึกษาธรรมะ ในหลักของศาสนาพุทธก็คือการศึกษาที่กายที่วาจาที่จิตใจของเราเดียว่าการศึกษาในเรื่องจิตใจของเรานี้เป็นเรื่องการศึกษาผ่านธรรมชาติแท้ๆ ท, ที่มันมีอยู่นะก็คือเรือของความคิดการปรุงกันแต่ง ที่มันก่อให้เกิดความทุกข์เป็นโรงงานผลิตความทุกข์มันอยู่ในความคิดอยู่ในหัวสมองในหัวกะโหลกที่มันอยู่กับตัวเราแต่เราไม่เคยเห็นมันเราได้หลักจากการได้ยินได้ฟังจากการได้อ่านเราก็นำมาปฏิบัติกันตรงๆล ง, งไปแล้วว่ากรรมฐานวิชากรรมฐาน วิชาว่ารู้กรรมคือการกระทาฐานคือที่ตั้งเรามีความรู้เรื่องที่ตั้งของจิตใจเราที่ตั้งของสติที่ตั้งของปัญญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของชีวิตเราเราจะเกิดการปกป้องเกิดการปราบปราม เกิดการปรับปรุงเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากทุกมาเป็นความปกติทุกที่มันเคยเกิดมามันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นประสบการณ์สอนตนนะกิเลสมัจะเบาๆบางๆลงไปนะกิเลสเป็นสาเหตุของความทุกข์เกิดจากความคิดการปรุงนะกิเลสโกดกิเลสโลกกิเลสหลงกิเลส ก, กักกิเลสกะชังนะกิเลสมีปฏิยาต่างๆมากมายที่ออก ทางกายแลักวาจาแล้วก็จิตใจเป็นบุญเป็นบาปเป็นพฤติกรรมเราจะได้เห็นมันเกิดที่ตัวเราเนียแะเบียนเปลี่ยนตัวเองก็ตัวเราเนี่ยแหละเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นก็ตัวเราเนี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นสสารสสารสิ่งเหตุปัจจัยต่างๆรั้นแต่มีความจริงเฉพาะตัวเฉพาะตัวจนทางมันก่อเป็นภพภูมิ ที่เรกวกุศลธรรมและอกุศลธรรมต่างๆมากมายเหลือเกินนี้มันเกิดกับตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันเราก็จึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลภายใต้อำนาจของอารมณ์ที่มันมาครอบงำแล้วก็จังงานจังการเราแบบขาดอิจระภาพต้องจำห น, นอนต้องยอมก็ต้องขวนขวายทยานอยากหาทางออกต่างๆมากมายเหลือเกิน มันก็มีอยู่จริงๆให้เราได้สัมผัสที่ตัวเรานี่แหละช่วงนี้เป็นเทศกาลวันหลวงปู่เทียนจะมีกินไออยู่ชัดหลายที่ก็พากันปฏิบัติแบบแนวเคลื่อนไหวการพลิกมือรู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวเหมือนกับเราที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันเราก็ฝึกหัดปฏิบัติพยายามอยู่พยายามชอบพยายามเคลื่อนไหวพยายามที่จะนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวฝึกหัดปฏิบัติตนสอนตนอยู่ ให้สมกับความเคารพแลนะความยำเกรงที่เรามีอยู่ต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อปูชนียบุคคลต่อบรรพุทษที่เกิดก่อนแล้วพยายามชี้นําสร้างกระแสะให้เราได้เดินมันก็มีล่องมีรอยพยายามทําพื่ได้เห็นได้รู้เหมือนกับที่ท่านเคยชี้เคยนําบอกรหัสเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอน โดเฉพาะเรื sí ่องของอารมณ์ปฏิบัตินี่นะมันจะต้องเหมือนกันทุกคนเลยเวลาเข้ากรรมฐานเช่นหนึ่งวันสองวันสามวันมันจะมีปฏิยาเหมือนๆกันสองทิศสามทิศหนึ่งเดือนสองเดือนเหมือนๆกันแต่เราทํากรรมฐานแล้วได้เห็นอารมณ์ปฏิบัติเชจนพอยกมือสร้างชว่าเกิดอาการแก๊กๆแก่งๆขึ้นมาก็เก้ขันเกอนขึ้นมาว่ากลัวกลัวเพื่อนจะว่ากลัวเพื่อนจะล้อ กลัวจะเข้าอยู่สังคมชุมชนได้ยากอย่างเงี้ยนะจะเก๊กเก๊กเก่งเก่งไม่กล้าตัดสินใจปรงใจลงไปในการปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นพอเราปฏิบัติเราจะเห็นนะมันมีอาการบางทีก็ง่วงบางทีก็ฟุ้งซ่านเดียวคิดมากบางทีก็สงสัยบางทีก็มีราะคะปฏิกะการปฏิบัติต่างๆมากมายจนให้เราออกนอกของอารมณ์ของกรรมฐาน ทำให้เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวได้ยากแต่เรารู้สึกตัวแล้วเรารู้จริงๆมันเบาไม่ว่าการเบาก็มาเดินก็เบายกมือก็เบาแต่ถ้าไม่มีตัวรู้ยังไงก็หนักมันหนักหนาสาหัสทีเดียวมือไม่ได้จับจอบจับเสียงทํางานทําการแต่ว่ามือมันยกไม่ขึ้นงานกรรมฐ า, านมันก็บอกถึงเราต้องปรับเนื้อปรับตัวปรับอินทรีย์เมื่อวานอาจารย์ในฌานก็บอกอยู่จุเนี้ปรับอินทรีย์ อินทรีย์ความเป็นใหญ่อะนะนกอินทรีย์มันอยู่ที่สูงถ้าจิตสูงมันจะมองลงมามันก็เห็นอารมณ์ต่างๆชัดเจนในือว่านิวลธาธรรมเนี่ยยังไงก็ต้องเจอหรือว่าความโลภความโกรธเนี่ยยังไงก็ต้องเจอลาค้าพะดีค่ะมันก่อเชื่อมาเป็นโทสัยลาค้าคัก่อเชื่อเป็นความโลภเนยังไงก็ต้องเห็นมันเห็นผ่านการเคลื่อนการไหวรู้เนื้อรู้ตัวความเป็นปกติ ถ้าเราลงมือปฏิบัติก็ต้องผ่านอารมณ์แบบนี้อาการเจ็บอาการปรวดอาการเมื่อยที่ไม่ช่วยให้เราปฏิบัติทําอย่างอื่นทําได้แต่ลองยกมือเดิยนยงก็ไม่มีทางะมันเดินธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาประจิตใจเป็นวางไม่ตรงของความสมดุลความพอดีความเป็นกลางตรงนี้แหละเราจะได้ปรับปรงุงปรับปรงุงปรับให้มันสมดุลมันเคยเอียงซ้ายเอียงขวา เพลง Shift, จีจ้องหรือแบบเพล๋อไปอย่างเงี้ยอยู่กับกา ย, ย, ยบ้างอยู่กับความคิดมั่งอยู่กับลมบ้างมันกลายเป็นว่าอยู่กับตัวสติอยู่กับตัวรู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเงี้ยจะผ่านอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนมันจะเริ่มรู้ทันความคิดเริ่มตัดความคิดโดยกลับมาสู่หลักกรรมฐานเมื่อฝึกอยู่ที่ฐานกายมีสมาติตั้งมั่นอยู่ฐานกายนะ สมาธิมันก็แสดงตัวความเป็นปกติอฐานกายมันก็แสดงตัวออกมาเราเห็นแล้วอ๋ออาการของสติมันเป็นอย่างนี้เมื่อคิดไปมันก็รู้ทันตามกําลังของสติของปัญญาสติน้อยก็รู้น้อยสติมากก็รู้มากสติไวมันก็รู้ความคิดได้ไวสติช้าก็รู้ความคิดได้ช้าเราได้เห็นกลไกลขึ้นมาก็เกิดศรัทธาขึนมาเกิดความเชื่อขึ้นมาจะให้หยุดแต่มาเป็นไปไม่ได้หรอก มันเห็นคุณค่ามันเห็นว่าเออชีวิตพัฒนาได้มันก็ต้องรีบไปแล้วตัวใครตัวเราแล้คอยกันไม่ได้จริงๆนะตรงนี้เราก็จะต้องนําตัวเองไปให้ตัวรู้ตัวสติตัวปัญญามันนําเราไปเมื่อก่อนกิเลมันนําเราหมู่มากลากไปนะตอนนี้เรานําตัวเองไปคนเดียวนะนิพพานนําไปคนเดียวจริงๆปฏิปรธรรมไปคนเดียวจริงช่วยกันไม่ได้นะครูบาอาจารย์ก็ช่วยเราไม่ได้นะเพียงแค่ให้กําลังใจเราอดาทันะ ชี้นำสร้งางกระแสนีได้ก็ให้เกิดศรัทธาเนี่ยได้เกิดความเชื่อเนี่ยไดแต่เราเชื่อหรือเปล่าเราเห็นด้วยหรือเปล่าสำคัญหรือ ว, ว่าเรามีปัญญามากเราเชื่อตัวเองนะนะแล้วเราก็พยายามที่จะนําตัวเองไปตามความคิดของเราเป็นประสบการณ์สอนตนนะอันนี้มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราอยู่ที่นี่มันมีคําสอนชัดๆละลัดสั้นๆอยู่เห็นกายเคลื่อนไหวหเห็นใจนึคิดนะ ดูกายเคลื่อนไหวะดูใจมันต้องมนคิดตัวนี้วันนี้เราก็มาดูกายเคลื่อนไหวให้กันเห็นการเคลื่อนการไหวการนั่งการเดินการเยืนการนอนมันเป็นรูปแบบชัดๆที่เราใช้อยู่เป็นประจำเป็นเอริบอทหลักหรือว่าเป็นเอรบอทใหญ่ยิ่งเรามานั่งเจริญสติเนี่ยมันเก็บย่อยดีหนึ่งจังหวะกับหนึ่งตัวรู้ปริกมือตับรู้ปุ๊บงี้มันก็ได้แต้มได้คะแนนของสติของปัญญาทันทีงี้ มันเป็นสติปัฏฐานส่วนสัญชาตญาณก็มีเหมือนกันทุกคนหมามันก็มีสัตว์สาตวอะไรสิ่งมันก็มีสติรักลูกสติกลัวตายสติหนีภไปสติขิวข้าวสติสรารพัดนะนะมันก็เหมือนกันกินขี้ปีนอนแต่ว่าสติปัฏฐานกลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจมันนึกมันคิดมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกเกิดอารมณ์ต่างๆว่าใบต่างตาหูจมูกลิ้นก็รู้สึก เกิดสักตว่ากันมาแล้วจะว่ายังไงมันก็อส์ใจนะมาหลุดโล่งโปร่งสบายผ่อนคลายนีมันเป็นชีวิตใหม่ๆของเรามันไม่เคยเจอเคยเจอมันเป็นรกนาะของการปฏิบัติแล้วมันได้รู้พรามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่เราเคยฟังครูบาอาจารย์เคยอ่านหนังสือตํารับตำราพอลงมือปฏิบัติมันเห็นตามมันเห็นเห็นด้วย เออมาอยู่กับความรู้สึกตัวมีสติจริงๆมันก็เบาเงี้ยเมื่อความคิดเกิดขึ้นมามันก็เออรู้ทันมันก็ตัดเมื่อก่อนใคยเครไปร่วมเันปรุงแต่งหมกมุ่นย้ำคิดย้ำทำคิดวกปนนะเรื่องใหม่มาใครเป็นเรื่องเก่าพอจบไปเรื่องใหม่ก็มาอีกซ้ำซ้ำซากๆห่วงแล้วง่วงอีกปวดแล้วปวดอีกคิดแล้วคิดอีกเนี้ยนะ หดกิดแล้วหมดกิดอีกเบื่อแล้วเบื่ออีกมันกลายเป็นเบื่อก็รู้หมดงิด ก, ก็รู้คิดก็รู้เกิดไหวก็รู้อะไรเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นมันก็รู้มันก็กลายเป็นเรื่องพัฒนาการเป็นมรเป็นผลเป็นลําดับขั้นตอนที่เราได้สัมผัสแล้วมันก็ลืมไม่ลงเหมือนกันเป็นล่องเป็นรอยในชีวิตของเราอารมณ์กรรมฐานใหม่ๆ ม, มันจะรู้เรื่องอารมณ์รูปนาม มันจะรู้ว่าเออรูเป็นทุกข์ยังไงนามเป็นทุกข์ยังไงรูปเป็นโลกเป็นยังไงนามเป็นโลกเป็นยังไงรู้สึกที่กายเป็นยังไงรู้สึกที่จิตเป็นยังไงรู้สติเป็นยังไงมันก็จะรู้ไปเป็นขั้นเป็นตอนของมันรู้สมมติรูปปรมัดย่างไงนะเมื่อก่อนเห็น entendeu? แล้วก็ปรงตอน น, นี้มันเห็นแล้วสักเท่ว่าเห็นว่าเขาแสดงอาการกิริยานะบางทีก็พูดกระทบที่หูเรามันเป็นยังไงเมื่อก่อนเคยวันไหวหน่อยวันไหว แต่พอมันมีตัวรู้แเราไม่วันไหวมันปึ๊กเลยมันกลับมาดูเรามีเสียงพูดที่เขาแต่มันกลับมาดูใจเราเนี่ยมันไม่เห็นตัวเขาแสดงออกมันกลับมาดูใจเรามารักษาใจเรามันก็เท่ากับรักษาใจคนอื่นด้วยใหม่ๆมันเหมือนกับว่าต้องแสดงออกนไฟดับไฟอย่างนี้มาแกก่อไฟมาข้ากแกะก่อกองใหญ่กว่าร้อนกว่าเพื่อจะดับแก่อย่างนี้มาแก่ศาสตร์ครวนมา คนของข้าเหม็นกว่าวกษัตริยแกเหมือนกันรับรองเองเหม็นจนทนไม่ได้แล้วกันยอมแพ้ไปไ ม, ไม่กล้ามายุ่งแย่งไปเลยเองเองแหลมมากษัตแหลมกว่ามันกลายเป็นโต้ตอบกันเหมือนกับเมื่อไปไประชุมสองวันก่อ น, นก็จับช่วงเรื่องหลวงปู่เทียนกันมีผ้ารูปหนึ่งชอบเล่นเน็ตนะขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนะึงเป็นความเคลื่อนไหวในสายงานแนวหลวงปู่เทียน ชอบเล่นเด็กก็ไปล้วงเอาฟังพระรูปนั้นเทศยังไงพระรูปนี้เทศยังไงแต่เราก็เห็นว่ามันมีการกระทบสัมผัสมันเกี่ยวข้องกับความเสียหายในแนวคําสอนหลวงปู่เทียนก็หาหลวงปู่เทียนเนี่ยโหกงวงนั่งหลับพระอาหานย์อะไรนั่งหลับนบางทีก็หาว่าเออคนอะไรไถานายอยู่ดีๆวางกาันไถเพรุ้ธรรมเลยอีกหลายเรื่องนะ ก็เห<พ>็นพะระนะก็พยายามที่จ ะ, สะแสดงออกกันต่างๆนานามากมายแต่เห็นหลวงพ่ออมเขียนเฉยก็ยื่นไนะม้ให้พูดหลวงพ่อว่าจะให้พูดเรื่องอะไรนะเอาไปพูดไงเมื่อกี้ที่ฟังกันนะเรื่องหลวงพ่อเทียนวางกลางไถไถนานะเรามาลุ้นทำนะมันจะเก่งกว่าพระเจ้าเย่างเลยหลวงพ่อเทียนก็นะเหมือนกับว่าไม่เคยได้มีข้อ ม, มูลแบบเนี้ยแต่ว่าคนเขาก็ไปพูดไปต่างๆนาๆนาหนะลวงพ่ออมเกล็นก็เออ หลวงพ่อไม like like like, enza, ่เคยได้ย hmm. like ินนะว่ามันมีเรื่องแบบนี้ไมนเคยได้ยินหลวงพ่อพูดับเรียนไม่เคยได้ยินะแล้วก็จบง่ายๆนะเรื่องอื่นก็ไม่ได้พูดในแง่ของว่าเออมีผ้าวิจารณ์ไปวิตกวิจารณ์ไปมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นควรจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนไม่มีเลยนะมีแค่เพียงแค่ว่าเหลวงพ่อไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มันก็จบแค่เนี้นะก็ดูสวยงามแล้วก็งดงามมากในแง่ของการประชุมมันก็เป็นการให้โอกาสกัน ให้คนทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกในเรื่องของพฤติกรรมบัจีกรรมกายกรรมมโนโกรรมเต็มที่เลยแล้วใช้ส่วนเป็เรื่องของคนนั้นพูดคนนั้นก็รับไปเราก็เพียงแค่ดูแล้วก็สงสารกันช่วยเหลือกันอันนี้นคือเมตตาให้โอกาสกันเนี่ยมันคือเมตตาอย่างเนี้เราเห็นแล้วก็ตรงนี้แหละมันก็คือลักษณะของหายตัวหรือว่าความไม่มีตัวตน ที่เราถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลนมีการเปรียบเทียบหรือว่าทําให้นะเรื่องเล็กเปเรื่องใหญ่มันจบง่ายๆทันทีนะแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปนี่นคืออาการของปัจจุบันขั้นไหนนะมันไม่ใช่มีอย่างเดียวเอาไว้ใช้ด้วยนะใช้ที่กายใช้ที่วาจาใช้ที่จิตใจนะเรื่องความเห็นเราจะเห็นเรานะเขาพูดแต่เราเห็นเราเขาแสดงแต่เราเห็นเรามันเป็นความรู้สึกตัวนั้นจบที่เรานี่เอง มันก็จึงเป็นเรื่องของมิตรภาพราบเรียบนะตัวนึงที่หลวงพ่อชอบเทศว่าผู้มีสติไปที่ไหนมันก็เหมือนแท็กเตอร์างนะถ่ายไปมันก็ราบเรียบไปหมดอะไ ร, รขูดข่ามัน ก, กลายเป็นเรียบไปหมดนะเหมือนกับไม้กวาดนะมีสิ่งโสโครกที่ไหนพอไม้กวาดผ่านไปมันก็สะอาดทันทีเรียบร้อยทันทีนะเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของคุณธรรมนะจริยธรรมศีลธ ร, รรมที่มันเกิดขึ้นมา หลังจากที่สติปัญญามันนาไปหรือว่าสติปัฏฐานสี่ที่มันคล่องตัวมันแสดงออกมาที่กายที่เวนาที่จิตที่ทรมันกลายเป็นว่าเรื่องของตัวเราเนี่เองเรื่องของรูปธรรมนามธรรมขันธ์ที่เราจะแสดงออกมาเป็นเรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องของกรรมฐานทีนี้ว่าเรามากลางพรรษาจนกระทั่งมาปลายพรรษาจบเดือนที่สามเข้ามาแล้วเนี่ย เราจะทำในกันดีเรื่องกรรมฐานในรูปแบบมันสามารถที่จะใช้ได้จริงไหมในรูปแบบก็คือใช้ในการเคลื่อนมือเดินจงกรมแล้วก็ผ่านสบายๆกาบอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นง่วงกับกายเป็นผ่านได้เอาความง่วงเป็นกรณีศึกษามาเป็นโจทย์จนเฉลิญได้ด้วยสติกับคืนสู่สภาวะปกติของจิต ความง่วงแมวเป็นกุศลแมวเป็นอกุศลเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาที่มีการเกิดดับเป็นเรื่องของพระไตรักษ์ที่กําลังแสดงออกเราเราก็ห้ามปรากฏการ์เหล่านี้ไม่ได้นะมันก็เป็นปัญญาแล้วนะของปัญญาพุทธะที่มันแสดงออกมาผ่านความง่วงได้หรือยังอาการเจ็บอาการปวดเี่ยผ่านได้หรือยังเมื่อวานมีพระรูปหนึ่งสนทนากานับอาจารย์ไตรสารครั้งหนึ่งเคยปฏิบัตินะะ ที่ไหนไปรู้แหละแล้วก็เห็นเวทนาของตัวเองนะมันคลายออกอย่างนี้นะอันนี้กเป็นลักษณะของพัฒนาการที่มันมีเราก็ได้เห็นตัวเราเมื่อเราเราสู่กันฟังเราได้เห็นเนะออนะผู้ปฏิบัติก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วพูดถึงสิ่งเหล่าเนี้แสดงออกมาจนทางเราก็อืมนะคือนักปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมก็จะปฏิบัติได้ในรูปแบบ ทิ้มกันก็คือนอกรูปแบบการทํางานทําการนะก็สามารถเรียได้ด้วยนะเช่นเคยสังเกตนิดหนึง่งนะเพราะว่าส่วนตัวก็จะมีทักษะแร้วมีความชํานาญเรื่องก่อสร้างนิดนึงนะเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเราอยู่ได้ด้วยชีใแบบนี้ในสมัยเกา่าสมัยก่อนทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละมันเลยมีข้อสังเกตอยู่ว่ามันเป็นยังไงเนาะไอกับมาฐานในการทํางาน เดี๋ยวว่าทาในสิ่งที่เราเคยทําแล้วก็มีความชํานาญไม่ต้องใช้ความคิดมากหยิบหยิบจับจับมันก็ทําได้เลยจากประสบการณ์เก่าก่อนอย่างนี้นะเราก็มาตั้งข้อสังเกตคนงานที่มาทํางานก่อสร้างในวัดทั้งหมดว่าถ้าเราทำเนี่ยอารมณ์เรากับเา้านแตกต่างกันยังไงก็ได้ข้อสังเกตอย่างนี้นะยกตัวยอย่างเช่นว่ามีนักก่อสร้างที่เขามีธรรมะ แล้วก็เป็นเด็กอายุน้อยมากอยู่ระดับปวชนะเรียนในชั้น ร, ระดับที่เรียก ป, ปวชคือประมาณมัธยมปลายประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทำงานโดยไม่มีเครื่องมือนะก็หาเครื่องมือรอบๆตัวเขาเช่นลวดนะเออคนคนนี้ไปไหนมีสมองมีฝีมือไม่พกเครื่องมือนะเราเห็นไหมที่เขาทำประตูสุญญาตา ทำของปลอมหรือเรียกว่าเรียนแบบได้เหมือนจริงธรรมจักเห็นไหมหินธรรมจกักแล้วก็หินก้อนหินต้นไม้ที่นอนอยู่ที่ลานหินโคง้งก็ทำได้จนเด็กคนนี้เนี่ยมีธรรมะเป็นคนอ่อนน้อมเวลาเจอพระเนี่ยุดนั่งทันทีแล้วก็ตรมมือเอ๊เด็กคนนี้มีธรรมะนะเย็นเย็นยิ้มยิ้ยมเวลาทำงานนิ่ง น, นิ่งไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดสอเสียดคำหยาบโกหก ok, ไม่มีเลย เราไม่กินบุหร่ไม่สูกแล้วทำงานไวด้วยนะติดใจจดจอ่อตายเช้าตื่นมาจนทั้งมเมือเจด จ, จ่อมากมากทําทำงานยิ้มยิ้มสามสี่คนไม่มีเสียงพูดเสียงคุยเงยมากเลยนะครั้งหนึ่งถามก็ว่าไอ้หนูต้องการค่าแรงเท่าไหร่ต้องการหมื่นสามครับเฮ้ยทำไมหมื่นสามเขาก็ตกใจเหมือนกันเราทักอย่างเนี้ยนะ ถ้ามันมากไปก็ต่อรองได้ครับเฮ้ยมันไม่ได้หรอกหมืน่นสามต้องอไปสามหมื่นเลยให้ก็าสามหมื่นหลายครั้งนั้นนะเพราะรู้ว่านี่มันคือเหมาะสมกับฝีมือของเขาไปเรียนต่อนะปะวสไปเรียนต่อฝีมืออย่างนี้ต้องมีความรู้ให้มากๆนะจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบนี่คนที่หนึ่งคือมีธรรมะแน่นอนคนนีน้ไปดูฝีมือคือละเอียดประณีตนะแล้วทํางานโดยที่ ไม่มีความวุ่นวายกระทบกระทั่งงานการเรียบร้อยไม่ทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทิ้งงานลกสกรปรกเลยแม้แต่นิดเดียวมาคนที่สองอันนี้ครับปั้นบ้านไม้เห็นไหมบ้านไม้ละเอียดแบบนี้อันนี้มาจากไทยใหญ่ทางแม่สายนะกลุ่มนี้นิ่งเงียบมากเวลาทํางานแล้วก็ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันมืดนะเรียบร้อยมีความเรียบร้อยมาอยู่ในวัดแต่หลังจากเสร็จงานออกนอกสถานที่ เขาพักอยู่ที่หน้าวัดก็จะสั่งเรามากินสั่งเบียร์มากินสูบบุหรี่เต็มที่แล้วก็ร้องเพลงเต็มที่คล้ายๆกับเก็บกดทั้งวันทํางานเสร็จแล้วก็ร้องลั่นเลยหน้าบ้านแม่สุดได้ยินเสียงมาถึงที่วัดนี่เคยออกไปดูอย่างอ๋อกลุ่มนี้เองที่สร้างผลิเตเสียงนี้ขึ้นมาเวลาค่ำก็คือเนบเอรจากการทํางานเต็มที่แล้วก็ปลดปล่อยเต็มทีนะ่กลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มหมู่บ้านนี้ คือเป็นช่างที่เขาไม่เป็นงานนะไม่เคยทํางานก่อสร้างมาก่อนมาฝึกหัดไปเดือดงานจนกระทั่งอยู่ในวัดเนะี่ยแล้วก็จานานงานขึ้นมาอย่างร้านแม่เพียร น, นี่เป็นต้นช่างนองอย่างนั้นนะนะตอนหลังก็ปูกระเบื้องเก่งนะกลุ่มนี้นะี่เปิดวิทยุเป็นเครื่องอยู่นะแล้วกเปิดสถานีหมอลำํนะทำทํางานไม่่อเก่งนะต้องบอกงานไปสอนงานไปนะ แล้วพอทําไม่ได้ก็รอร อ, ลอแล้วก็เปิดหมอลําร้องหมอลําลั่นอย่างเนี้ยนะอันนี้คือแสดงออกเช่นเราเคยเรียนมาช่วงไหนที่เราต้องอ่านหนังสือสอบบางทีเราก็อ่านไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องเราก็อาศัยฟังเพลงบ้างหรือว่าสั่งของกินมากินบ้างหรือบางทีก็กินเหล้าบ้างหรือว่าพูดนินทาครูบ้างตั้งชายาอาจารย์บ้างอะไรมากมายสนุกแล้วก็อ่านหนังสือได้รู้เรื่ององเี้ย อันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นเป็นกลุ่มที่เวลาทํางานก็ทํำไม่ค่อยเป็นเรียนไปรู้งานไปได้เงินไปได้คะแนนไปนะอีกกลุ่มก็คือเจ้ายศเจ้าอย่างครั้งหนึ่งเมื่อสามปีที่ผ่านมาฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำํำน้ำทะลักล้นไปยทั้งไปเ อ, อ่รั่วรอบรอ บ, รอบวัดบางจุดกลายเป็นเขื่อนกัน้นน้ํารับแรงน้ําไม่ไหวก็ล้มลงมาจํานวนหกสิบสี่ช่อง เสร็จแล้วก็ได้อาศัยชุดออบตอของบ้านใหม่นะแล้วก็ผู้ใหญ่การในยุคนั้นมาเหมาทำปกติเขาเหมากันจ่องหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าให้เขาเหมาไปพันห้าร้อยบาทเหมาเหมาให้ให้ให้เขาไปแล้วก็ดูว่าเขาจะมีกรรมฐานไหมกับการทำงาน ทั้งวันก็จะแต่งชุดนะใส่บ้างใส่ยศนะอบอาตาผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตามที่เขากาเกณฑ์กันไว้นะนะตามรูปแบบแล้วก็มาทํางานกันก็ไม่มีใครทํามอกนีแต่คนชี้นิ้วแกทำนะแกทำนะแกทำนะำนะล้วก็เลยเห็นว่างานไม่เดินนะงานไม่เดินแล้วก็เทคนิคการก่อสร้างเนี่ยก็จะไม่ได้มีเทคนิคการก่อสร้างนะตามรูปแบบของวิชาการทางโลกไม่มี ก็จะทําไปเท่าที่เขาทำได้แล้วก็ดูก็ไม่เป็นไรนี่คือธรรมชาติของวัดป่าสุโกโตเป็นอย่างนี้นะนะท้ายสุดเอามาก็ลองเอามาหารดูว่าจํานวนวันที่เขาทาแล้วก็แบ่งเงินกันนะี่ยเหลือวันเท่าไหร่เหลือวันร้อยกว่า บ, บาทเองคาดทุนนะค่าแรงนขะาดทุนไปเลยไม่มีผลกําไรที่ทําให้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของพัฒนานการออกมาอันนี้ก็คือไม่มีกรรมฐานกับการทํางานนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นกรรมาฐานในการทํางานต้องมีวิชาการรองรับชัดเจนนะหรือไม่มีผู้รู้มีผู้นําที่ชัดเจนนะแล้วเราก็ทําไปแบบปล่อยวางไม่รู้ก็ทําไปตามที่เขาบังคับจัาเขาสั่งนะถูกผิดให้คนบังคับบัญชารับผิดชอบนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็เราจะได้เห็นว่าถ้าเราทํากรรมาฐานกับการทํางานได้เป็นนมันจะเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเช่ น, ะนนะใช้แรงเกินควรนะ นะเป็นไส้เลื่อนไส้เลื่อนไหลอ ย, อย่างเงี้ยอันนี้มันบอกแล้วนะเรื่องบางทีจับเครื่องไม้เครื่องมือนะไม่เป็นจับค้อนตอกตะปูตะกอดตอหัวไม้มือตัวเองอย่างเป็นต้นมันบอกถึงว่านี่คือการเรียนรู้ที่เราต้องกลับไปเข้ากรรมฐานใหม่หรือคือการเรียนรู้และต้องรู้วิชาทางโลกเรื่องวิชาการก่อสร้างให้ชัดอย่างนี้เป็นต้นมันจึงจะเข้าร่วมกันแล้วก็เป็นด้านหน้าของจิตกุศลงานออกมาเป็นกุศลทํางานให้มันงาม จนทั้งผูรวนก็ติดเตียนได้ยากหรือว่าติดเตียนได้ได้น้อยมีเหตุผลอันนี้ผมไม่ได้ทําอันนี้คนนั้นทําเพราะว่ามากมายเหลือเกินมันก็เลยเป็นเรื่องของการพ้นภัยนั่นแหละเป็นลนักษณะของพนาการที่เราจะเกิดขึ้นมาในกา ร, ราทําอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับเอาตัวรอดได้อยู่ะทําไมไมันต้องเป็นอย่างนี้มีเหตุมีผลเราก็ใช้แบบเนื้อถูกเนื้อผิดในเหตุเนื้อผลก็ได้ มันจะเป็นเรื่องของกรรมฐานอารมณ์ก็ฐานที่นําเราไปเบื้องต้นให้รู้เรื่องของการเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดรู้รูปรู้นามเห็นรูปทุกเห็นรูปโลกเห็นนามเป็นทุกเห็นนามเป็นโลกเห็นสมมุติเห็นปรมัตดมันเกิดขึ้นมาที่รูปที่นามเนี่ยก่อนตากระทบรูปมันเป็นสมมุติยังไงมันเป็นปรมัดยังไงก็คือเห็นสักตว่าเนี่ยมันเป็นปรมัดนะแต่เห็นแล้วมันมีความคิดอันนี้เป็นสมมุติละ มันก็จึงรู้สึกตัวอย่างเดียวแนะง่ายๆออกมาจากความคิดทั้งหมดเลยมันเหนือคอําอธิบายเพราะฉะนั้นการเทศเครื่องชองนะั่วโมงเนี่ยมันที่มันนานเกินไปถ้าจะเทศไทยสั้นกันนะรู้สึกตัวหรือเปล่าพลิกมือรู้สึกตัวหรือเปล่าอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างไปงานหลวงปู่เทียนเนี่ยนะก็มีการกําหนดกันไว้ว่าเนิ่งมาถึงแปะเพยธรรมบัตชาวสวดมนต์ก่อน สวดมนต์กันก่อนคนประมาณสี่ห้าอคนอามาสวดมนต์กันก่อนสองให้มีพิธีกรกล่าวนํานิดนึงว่ากิจนะกราการมอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะอาจารย์จัน ช, ชัยก็กล่าวพูดให้ทุกคนได้ยินได้ฟังต่อมาสามก็คือสวดธรรมจักรกันยกเอาคําสวดคาสอนการแสดงออกของหลงเอ็ดสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสารยายให้ทุกคนได้ยินว่าเออบทเนี้ย พัญญากรรณญาบรรุธรรมเป็นคนแรกเลของโลกจะให้เป็นวันนี้ของเรายังไงอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นหลวงพ่อต้องไปพูดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของสายงานหลวงพ่อเทียนแต่ว่าบังเ อ, อิญหลวงพ่อท่านมาไม่ทันท่านติดนะการเดินทางจากออมณนิธิมาที่หอฉันนะ เขาจะมาให้เหยีาดจา์พุท่านทีนี้มันติดจนกระทั่งมาไม่ทันมาถึงกระเพรแล้วอนะท่านจะต้องพูดเก้ามงเช้าถึงเจ็ดโมงแต่ว่าท่านมาไม่ทันก็เลยผมเลื่นมาได้พูดในการพูดก็ไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าชวนให้คนเก่า่ปฏิบัติเลยหันหน้าไปทางพระด้วยกันแล้วก็ชวนก็ปฏิบัติไปเลยถ้าต้องการสืบสารแนวหลวงปู่เทียนไม่ต้องมาพูดอะไรก็หลงลงมือกระทาลงไปเลยแล้วก็ใครเป็นผู้ใหม่ก็ให้ยกมือขึ้น นะก็มีจำนวนน้อยๆนะไม่เยอะหลักประมาณสักยี่สิเปเซ็นะเป็นผู้ใหมาอาหานมาทางนี้นะก็นําปฏิบัติเลยเอาพิกมือตะแคงไว้อ่รู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวให้ทําตรงเนี้หนะนะลังจากนั้นก็พูดเป็นส่วนประกอบว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ก็ยกอ้างชักไปน้าตั้งห้าเลยนะแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็ต้องการให้ทุกคนนะได้เคลื่อนไหวปฏิบัติทำกันเมื่อมันปฏิบัติแล้วนะนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเองนะ ธรรมะปฏิบัติที่มันเกิดมาเป็นสภาวะธรรมะมันก็จะรู้ไปเองแล้วไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของร่องรอยที่มันมีมรรคผลอยู่ในความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จึงเป็นลักษณะของสติทุกครั้งที่สัมผัสแล้วรู้สึกในที่ฐานกายนะอันนี้เบื้องต้นเลยนะถ้ามารู้กายเป็นจะรู้จิตเป็นยังไงก็รู้จิตได้เพราะกําลังของสติจะพัฒนาไปเอง ตามกฎของกรรมฐานตากฎของธรรมชาติเร้จะเคลือ่อนไหวรู้สึกตัวเราได้เห็นความคิดว่าไวไปไอ้จุดนี้แหละมันอาจจะรย์ใจว่าเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่บางทีเราเห็นแต่ว่าเราไม่รู้มันคือกรรมฐานไม่รวนเนี่ยคือสติปัฏฐานคราวนี้เราฟังคนรับรองครูบาอาจารย์ถ้ารับรองเราอ๋อมันมีอย่างนี้ด้เหรอเราเกิดศรัทธาเกิดความมั่นใจบวกปัญญาขึ้นมา เราก็มีความเพียรมีสมาธิตั้งมั่นลงไปใส่ใจลงไปกับความรู้สึกตัวมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง ส, สัมผัสสัมพันธ์มันจะเกิดผลขึ้นมาตรงนี้นี่เองน้ำที่ะหลหยดเจียหยดทียยดีหยดก็ดเต็มโอ่องได้ท้ายสุดปรปมาณมันมากพร้อมกับล้นเออเหมือ น, นกับมีธรรมมากก็มีคุณภาพมีคุณธรร ม, ม, มต่า ง, า ง, างๆเกิดขึ้นมามันเออล้นเกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมา ต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นต่อไปสรรพสัตว์สรรพสิ่งอย่างี้นะก็จะได้รับผลจากธรรมะจากคุณธรรมต่างๆความอดตนอดกลั้นอายชั่วกลัวบาปหรือว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูนี่มันจะได้รับนะมีเมตตากุณาวมตตาเวขาให้มันจะเอ่อล้นไปเองโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นหรอกเมื่อการบวชนี่ไม่ได้ตั้งใจมาพูดมากไม่ได้มาสอนคนไม่ได้มาเทศอะไรหรอก ไม่ได้ต้องการมาเป็นต้นแบบอะไรเพียงแค่ว่าเรามานะไปบัดตามคําท้าทายของอุบาอาจารย์เฉยๆหลวเทียนท่านท้าทายหลวงพ่อขมเขียนท่านก็พูดถึงสภาวะผู้ ด, ดูจริงๆดูและเห็นเห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรนะเราจะเป็นความสุขเกษมสารที่ปรากฏขึ้นมาทุกครั้งที่เราคืนสภาวะปกติให้จิตใจของเราได้นะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวจึงเป็นสติความรู้สึกตัวก็เป็นศีลศีลอยู่ในความรู้สึกตัวนะ สีเลยน ะ, นะกุศลาน ะ, นะอรหัตตายะปรเรนติติเขาบอกว่าศี น, นี้นําเป็นทั้งหมดเดินทางไปสู่ความเป็นพระอรหันต์อรหัตตาย ะ, ะด้วยการกระทําดังนี้ปรเรนติติเราฟังดูแล้วอ๋อมันก็จริงๆรินะสีนคือปกติศีนนําสุขมาให้ศีนนําปกัพมาให้สีนนําความเย็นมาให้เออมันก็จริงไงอย่างงี้ยความเป็นปเติปรากฏ เราก็สัมผัสได้ที่ตัวเราเนี่ยความรู้สึกตัวก็เป็นสมาธิเกิดการตั้งมัน่นมันก็ปฏิบัติธรรมนะเคลื่อนไหวรู้สึกได้ทั้งวันมีความตั้งมัน่นมีอารมณ์ปฏิบัติเกิดขึ้นไหเกิด ค, ความเบาเกิด ค, ความผ่อนคลายอ่านี้นะเราก็มันมีจริงๆในความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวเป็นปัญญาจริงๆนะเพราะมันรู้สติมันมารู้สติสติปัฏฐานมันก็มีปัญญามันก็พาผลทุก มันเกิดทกข์เกิดมาเกิดจากความคิดเกิดจากตัวหลงมันก็กลับมาเป็นรู้อย่างเงี้ยมันเปลี่ยนได้ก็เป็นปัญญาแล้วมันก็เดินทางมันก็พาเราเห็นรายละเอียดต่างๆที่เป็นธรรมะระดับตื่นไปหากลางไปหาลึกยิ่งๆขึ้นไปอย่างถ้ามันมีอาการที่เรียกว่ามันไม่สงสัยเกิดขึ้นมาแต่มันก็เป็นเรื่องของเราแล้วะที่เราจะต้องเหมือนกับว่า ใช้ชีวิตใช้กายใช้วาจาจใช้จิตใจของเราต่อไปทําหน้าที่ตัวนี้เราจะเกิดความงดงามสวยงามต่อไปในการทําหน้าที่อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราอย่างผมแล้วแต่ตอนนี้ก็มันเหมือนกับว่ามันเคยผ่านการทํางานหนักมาชั่วขณะหนึ่งก็คือมันพยายามเข็นใช้พลังงานของกายพลังงานของวาจาพลังงานของสมอง พลังงานความคิดมากเกินไปมันใช้เพราะว่าบางทีทําเกี่ยวข้องกับคนที่เขาไม่ได้ศรัทธาก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องการปฏิบัติเราต้องแสดงฤทธิ์แสดงแดดอะไรต่างๆมากมายโดยใช้คำพูดเนี่ยแหละใช้ลูกร่อลูกชนใช้สติปัญญาอย่างเมื่อวานเราจะเห็นมีอยู่คนหนึ่งนะศาสดาจารย์เกียรติคุณนะสองคนนะผู้หญิงผู้ชายูเนะย สองคนเนี่ยมาดูๆแล้วก็เป็นคนดีแต่ดื้อดื้อไม่มีใครเอาเขาอยู่หรอกสองคนเนี่ยครั้งหนึ่งก็มาที่นี่เมื่อสักประมาณเจ็ดปดแปดปีก่อนนะแล้วก็มานั่งหยุดจุดตรงนี้วันนั้นออกมาก็เหนื่อยมากเลยไปทำงานมา เ, เสร็จแล้วมาถึงตั้งนั่งที่เหนื่อยมากก็พูดกังเขาเลยเนะหัวกับเขาก็บอกว่าลูกศิษย์ของเขานี่แย่มากเป็นหมอ แต่ว่าไม่ดูแลเด็กเลยเขาเองก็ทุกข์ใจมากก็เป็นคนดีติดดีปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยี่สิบเสบร็จเสร็จละท้ายสุดก็คือเป็นผู้ที่มีวิชาการมากเลยพร้อมที่จะถ่ายทอดแต่ว่าลูกศิษย์ไม่พร้อมที่จะรับก็นั่งไปร้องไห้ไปเลยนะขณะที่ก็เล่าตรงเนี้อามาก็บอกเออไปยุ่งกับเขาทำไมตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองยังไม่พออยียังไปบ้าแบกความทุกข์ของเด็กนักเรียนนักศึกษา เราทําหน้าที่ของเราสมบูรณ์แบบแล้วก็แล้วไปส่วนใดกเเเเด็เป็นเรื่องของเขาก็รับได้แค่ไหนเป็นเรื่องของเขาอะอตรงเนี้ยหลวงพ่อเขียนท่านไคยพูดว่างานของท่านชิ้นงานของท่านอล้มเหลวมาเลยแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลวสอนคนไม่โกรธก็โกรธกันสอนคนให้วปบัติก็ไม่วปบัติกันสอนให้เป็นน่ารักก็ไม่รักกันน่าวรักปลูกต้นไม้ก็เวนน่ารักเอาเสื่อไปวางกระดินไม่ยอมเก็บอย่างเงี้ยท่านก็พูดอยวน ง, งานท่านล้มเหลวอมาเละ แต่ตัวท่านชีวิตท่านไม่ล้มเห ล, แลวแก็สิ่งที่ท่านทําเนี่ยท่านไม่ได้ใจทํานะแต่เพียงแค่ว่าเห็นมันเป็นจุดอ่อนเห็นมันเป็นลักษณะของเ อ, อความไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครทําท่านก็เสนอตัวเองมาทำํำต้นไม้ตัดกันท่านก็มาโปรูกให้อย่างงี้นะแต่โปรูกแล้วก็ไม่เหลืตอต้นไม้ตัดกันเฮี้ยนหมดแล้วหลังเขาเนะ่ท่านก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็ทายสุดเอามาให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีทิฏฐิมานะกันอยู่พอเมียกุเนี่ย คุณอยู่กั น, นคุณก็ทะเลาะกันคุณอยู่กันคุณก็เคารพกันไม่จริงนะถ้าเราเคารพกันจริงไหนะลองกราบให้ดูกันตรงนี้หน่อยใช่ไหมลองกรองกราบตากกันดูเลยนะอผัวลองกราบเมียก่อนผู้ชายที่ถี่เยอะกราบผู้หญิงดูด้วยนะกราบตักนะเาก็กราบนะทั้งพูดทั้งเมียดียังไงสักสามข้อพูดไปร้องไห้โฮกันไปทั้งสอคนอ่ะเรากรอดกันดูสินะนะต่างคนต่างกรอดก็ร้องไห้กนะันยอมตั้งแต่วันนั้นยอมตั้งวันนี้ยยอม ด้วยะนั้นใช้พลังเปลืองมาใช้พลังเปลืองมากแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะจนกว่าเหมือนกับว่าเห็นว่าพอจะเปลี่ยนกันได้แล้วก็ศรัทธาก็จะเปลี่ยนกันก็จึงเป็นเรื่องที่ว่าเรามีครูบาอาจารย์คนเดียวกันก็คือโมจสมเด็จซ้ำมาของเจ้าท่านชี้นำยังไงเราก็เอามาปฏิบัติกันเรื่องสติปัฏฐานสี่ไปศึกษาในพระสูตรถ้าเชื่อหลวงปู่เทียนก็ฟังเอา เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดเนี่ยผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวรูเชื่อหลวงพ่อมัเขียนก็ทําเลยท่านสมัยแรกยุคต้นท่านเคลื่อนไหวรู้สึกพอท่านรู้ทำแล้วท่านไม่พูดยิ่งเดี๋ยวนี้ท่านบอกว่าท่านทําไม่ได้นะไม่เหมาะที่จะนั่งนานที่จะทําอะไรนานๆท่านเหมากการเคลื่อนไหวพระแก่แล้วเพราะนั้นท่านจะไม่พูดในสิ่งที่ท่านทําไม่ได้ท่านจะพูดในสิ่งที่ท่านทําอยู่พูดในเรื่องของ ปัจจุบันขณะอย่างนั้นะท่านทำอะไรท่านก็จะเล่าให้เราฟังภาวะผู้ดูภาวะผู้ดูเนี่ยท่านดูอะไรบ้างท่านเห็นอะไรบ้างท่านยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรบ้างอย่างตอนนี้ตัดต้องพยุงเงินอยู่ท่านก็กําลังปูกกาพยุงอย่างเมื่อวานกับนันมาตัดที่ผูกาลางกันละวยี่สิบท่อนจับกันได้นะเมื่อวานนะเอามาก็เออนะสังคมเดี๋ยวนี้หรือว่าธรรมชาติยุคนี้มันเป็นอย่างนี้นะผู้รู้ท่านก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบันขณะ แก้ไขในสิ่งที่กลังเหนะมือนกับว่ามันเกิดการทำลายล้างเป็นอากศุศลเปลี่ยนเป็นกุศลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเอวันนี้ขอภายพูดเกินห้านาทีหกนาทีนะเกรนว่าสมควรแก่เวลาก็จะขอยุดตีไว้เพียงแค่นี้กนะ็ขอให้นะท้ายสุดของไตรมาสที่เรามาอยู่ร่วมกันจำพรรษาก็นะใส่ใจการปฏิบัติเต็มที่กนะ็ขอให้นะ การเวลาทำขอ ง, งเท่าไหรายนั้นก็เป็นไปเพื่อการทำที่สดแห่งกองทุกนะก็สู่มัตตุสู่ผลนะจนกาทั่งเหมือนกับว่ามีความเป็นปกติจิตนะอยู่ตลอดเวลาโดยตัวน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ